ภาคผนวกความหมายของอาบัต์อาบัตแปลว่าการต้องการล่วงละเมิดพระวินัยบัญญัติอาบัต์เจกองคือ 1. ตปาราชิกแปลว่าพ่ายแพ้จากพระศาสนาพ้นจากความเป็นพระพิสุ 2. ส, สังคาทิเศษแปลว่า มีสงในกรรมเบื้องต้นและกรรมที่เหลืออยู่ปริวาสมานัะและอับพาน 3. ทุนลัดใจแปลว่าโทษที่หยัดกว่าอาบัติเบาเช่นพิสุนุ่งห่มหนังเสืออย่างเดียรถีเป็นต้น 4. ปาจิตตีนิสักคียะปาจิตตีเป็นอาบัติปาจิตตี ที่ต้องสระวัตถุเช่นเก็บผ้าอาศัยเกินสิบวันเป็นต้นแปลว่าทำกุศลจิตให้ตกไปเช่นฆ่าสัตว์เป็นต้น 5. ปฏิเทสนิยะแปลว่าพึงแสดงคืนเช่นพิสุรับอาหารจากมือพิสุณีที่ไม่ใช่ญาติ 6. ทุกกฎแปลว่า การกระทาที่ไม่ดีเช่นนุ่งหม่มผ้ารุ่มรามไม่เรียบร้อยเป็นต้นเจ็ดทุพภาสิทธิแ์แปลว่าคำที่กล่าวไม่ดีเช่นพูดร้อชื่อผิวพันธ์เป็นต้นประเภทของอาบัตมีสองอย่างคือหนึ่งครุกาบัตคืออาบัตหนักได้แก่ปาราชิกและ สังคาทิเศษสอลหู ก, กาบัตคืออาบัตเบาได้แก่อาบัตห้าอย่างที่เหลือมีถุนลัดใจเป็นต้นวิธีโปรงอาบัตเจ็ดกอง 1. ปาลาชิกโปรงอาบัต ด, ด้วยการศึกเป็นสามนเณรหรือขลือหัส 2. สังคาทิเศษโปรงอาบัต ด, ด้วยการอยู่ปริวาส 3. ทุลักใจ 4. ปาจิตตีห้าปฏิเทศนียะ 6. ทุกกฎ7ทุกพาสิทธ์ตั้งแต่ทุนลักใจถึงทุกพาสิทธปองอาบัติด้วยการเทศนาบัติแสดงอาบัติการไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติและไม่เพิกถอนสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติแล้ว อันหนึ่งในครั้งเมื่อพระพุทธเจ้าใกล้จะปรินิพานได้ตัดกับพระอานุ์ว่าดูก่อนอานน์สิกขาบททั้งหลายที่เราบัญญัติไว้แล้วสิกขาบทเหล่าใดที่เป็นสิกขาบทเล็กน้อยถ้าสงปรารถนาอยู่พึงถอนสิกขาบทเหล่านั้นมหาปรินิพานสูตรในครั้งนั้นพระเถระทั้งหลายประมาณเจ็ดแ 0,000 นรูป ได้ประชุมกันณสถานที่ที่พระพุทธเจ้าปรินิพานซึ่งท่านพระมหากัสสปะเถระได้ปรารพถึงคำของหลวงตาสุพัท ธ, ธวุ ธ, ธบรัรพชิตผู้กล่าวจ่วงจากพระธรรมวินัยโดยการล่วงไปแห่งการปรินิพานของพระพุทธเจ้าเพียงเจ็ดวันเท่านั้นจึงได้คิดว่าต่อไปในการภายหน้า อธรรมวาทีจะมีกำลังธรรมวาทีจะอ่อนกำลังอะวินัยยวาทีจะมีกำลังวินัยยวาทีจะอ่อนกำลังดังมีเรื่องในครั้งปฐมสังขยนาดังนี้ว่าครั้งนั้นท่านพระมหากัสปะเทระได้ชี้แจงแก่พิสุทั้งหลายว่าท่านทั้งหลาย ครั้งหนึ่งเราออกจากเมืองปาวาจะเดินทางมาที่เมืองกุศินาราพร้อมกับพิสุสงหมู่ใหญ่ประมาณห้าร้อยรูปครั้งนั้นเราแวะออกจากทางนั่งพักอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งเราเห็นอาชิวะกะผู้หนึ่งเดินถือดอกมณฑารกมาจากเมืองกุศินาราเราได้เห็น อาชิวะกะเดินมาจึงได้ถามอาชิวะกะนั้นว่าท่านทราบข่าวพระศาสดาของเราบ้างหรือไม่อาชิวะกะตอบว่าท่านครับผมทราบอยู่ก็บัดนี้พระสมณะโคดมปริณิพานได้ครบเจ็ดวันและดอกมณฑารบนี้ผมก็ถือมาจากที่ปรินิพานนั้นบรรดาพิสุเหล่านั้น พอได้ยินคำบอกกล่าวของอาชีวะกะนั้นพิสุผู้ยังไม่ปราศจากราคะประคองแขนข้าครวนราวับ ว, ว่ามีเท้าขาดล้มลงกิ้งเกือกไปมาดำพันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จปรินิพานเร็วนักพระสุคตเสด็จปรินิพานเร็วนักดวงตาหายไปจากโลกเร็วนัก ส่วนพิสุที่ปราศจากราคะแล้วมีสติสัมปชัญญะย่อมอดกัน้นได้ด้วยคิดว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสิ่งที่เที่ยงนั้นจะได้จากสังขาร น, นี้แต่ที่ไหนเล่าท่านทั้งหลายครั้งนั้นเราได้กล่าวกับพิสุทั้งหลายว่าอย่าเศร้าโศกร่ำไรไปเลยข้อนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตัดบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าความเป็นต่างๆความเว้นความเป็นอย่างอื่นจากสัตว์และสังขารที่รักที่ชอบใจทั้งปวงทีเดียวย่อมมีสิ่งที่เที่ยงนั้นจะได้จากสังขารนั้นแต่ไหนสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วมีแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นแล้วย่อมมีความแตกสลาย ไปเป็นธรรมดาข้อที่จะปรารถนาว่าสิ่งนั้นอย่าได้สลายไปเลยนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อเราเกล่าวปอบพิสุทั้งหลายเหล่านั้นอยู่ครั้งนั้นมีพระหลวงตาชื่อสุพัทธ์วุทธบันพชิตนั่งอยู่ในบริษัทนั้นด้วยพระหลวงตานั้นได้กล่าวกับพิสุทั้งหลายว่าพอเถอดท่านทั้งหลาย อย่าโศกเศร้าร่ำไรไปเลยพวกเราพ้นไปดีแล้วจากพระมหาสมณะนั้นพระพุทธเจ้าด้วยว่าพวกเราถูกเบียดเบียนว่าสิ่งนี้ควรแก่เธอสิ่งนี้ไม่ควรแก่เธอบัดนี้พวกเราปรารถนาจะทำสิ่งใดก็พึงทำสิ่งนั้นได้ไม่ปรารถนาจะทำสิ่งใดก็ไม่ทำสิ่งนั้น ในครั้งนั้นพระมหากัสปะเทระได้ปรารภถึงคำของหลวงตาสุพัทถวุท ธ, ธบันพชิตผู้กล่าวจ่วงจากพระธรรมวินัยอยู่จึงได้กล่าวกับพระพิสุทั้งหลายว่าเอาเถิดท่านทั้งหลายพวกเราจงมาสังคยาาพระธรรมและพระวินัยกันเถิดเพราะว่าในการภายหน้า อธรรมจะรุ่งเรืองธรรมจะเสื่อมถอยอาวินัยจะรุ่งเรืองวินัยจะเสื่อมถอยอธรรมวาทีบุคคลจะมีกำลังธรรมวาทีบุคคลจะอ่อนกำลังอวินัยยวาทีบุคคลจะมีกำลังวินัยยวาทีบุคคลจะอ่อนกำลังในครั้งนั้นพิสุทั้งหลายกล่าวว่า ถ้าการ น, นั้นขอพะระเถระพึงคัดเลือกพิสุทั้งหลายเถิดครับท่านพระมหากัสปะเถระจึงได้คัดเลือกพระอรหันต์หรูปล้วนแต่เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งประเภทแห่งสัพพะปริยัติคือพระไตรปิฎกได้บรรลุ ป, ปฏิสัมพิทามีอนุภาพมากแตกฉานในไตรวิชาเป็นต้น ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกขึ้นสู่เอตทัตคะโดยมากหลังจากนั้นจึงได้ปรึกษากันว่าเราจะทำสังคยานาที่เมืองราชครึกในการสังคยานานั้นท่านได้สังคยานาพระวินัยก่อนซึ่งมีพระอุบาลีเถระเป็นผู้วิสัชนาพระวินัยไปตามลำดับจนจบสิกขาบทที่เป็นของพิสุ และพิสูจน์ีทั้งหมดตามที่พระมหากัสสปะเทระได้ปุจฉาถามเพื่อให้ตอบแล้วจึงได้สังคยนาพระสูตรและพระอภิธรรมเป็นลำดับต่อไปซึ่งมีพระอานนเทระเป็นผู้วิสัชนาพระสูตรและพระอภิธรรมทั้งหมดอันพระมหากัสสปะเทระได้ถามแล้วครั้งนั้นแล พระอานน์ได้ชี้แจงต่อพระเถระทั้งหลายว่าเมื่อจวนปรินิพานพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดกับข้าพเจ้าว่าดูก่อนอา น, นุ์บรรดาสิกขาบททั้งหลายที่เราบัญญัติแล้วสิกขาบทเหล่าใดที่เป็นสิกขาบทเล็กน้อยถ้าสงปรารถนาอยู่ก็พึงถอนสิกขาบทเหล่านั้นเสียครั้งนั้นพระเถระทั้งหลาย ได้ถามกับพระอานุ์ว่าท่านอานุ์ก็ท่านได้ถามพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือว่าสิกขาบทเหล่าไหนเป็นสิกขาบทเล็กน้อยพระอานุ์ตอบว่ากับผมไม่ได้ทูลถามว่าสิกขาบทไหนเป็นสิกขาบทเล็กน้อยหลังจากนั้นพระเทระบางพวกกล่าวอย่างนี้ว่าเว้นปราชิกสี่นอกกนั้นเป็นสิกขาบทเล็กน้อย พระเถระบางพวกกล่าวอย่างนี้ว่าเว้นปาราชิกสี่เว้นสังฆาทิเศษสสามนอกนั้นเป็นสิกขาบทเล็กน้อยพระเถระบางพวกกล่าวอย่างนี้ว่าเว้นปาราชิกสี่เว้นสังฆาทิเศษสบสามเว้นอนิยตะสองนอกนั้นเป็นสิกขาบทเล็กน้อยพระเถระบางพวกกล่าวอย่างนี้ว่าเว้นปาราชิกสี่ เว้นสังขารทิเศษสิเว้นอนิยตะสองเว้นนิสักียะปาจิตตีสามสนอกนั้นเป็นสิกขาบทเล็กน้อยพระเถระบางพวกกล่าวอย่างนี้ว่าเว้นปาราชิกสี่เว้นสังขารทิเศษสิเว้นอนิยตะสองเว้นนิสักียะปาจิตตีสามสเว้นปาจิตตีเก้าสอง นอกนั้นเป็นสิกขาบทเล็กน้อยพระเถระบางพวกกล่าวอย่างนี้ว่าเว้นปาราชิกสี่เว้นสังฆาทิเศสส13เว้นอนิยตต2สองเว้นนิสัคคียะปาจิตตีสาสเว้นปาจิตตีเกิเว้นปฏิเทสนียะสนอกกนั้นเป็นสิกขาบทเล็กน้อย ในครั้งนั้นพระเถระทั้งหลายต่างก็ได้วิภาควิจารว่าสิกขาบทบางอย่างเป็นสิกขาบทเล็กน้อยตามที่ได้กล่าวแล้วครั้งนั้นแลท่านพระมหากัสสปะเถระจึงได้ประกาศให้พระสงฆ์ทราบด้วยยตัติทุติยกรรมวาจาว่าท่านทั้งหลายขอสองฆ์จงฟังข้าพเจ้าสิกขาบทของพวกเรา ที่ปรากฏแก่คราหัตมีอยู่แม้พวกคราหัตก็รู้ว่าสิ่งนี้ควรแก่พระสมณะเชื้อสายศักยะบุตรสิ่งนี้ไม่ควรถ้าพวกเราจะถอนสิกขาบทเล็กน้อยเสียจะมีผู้กล่าวว่าพระสมณะโคดมบัญญัติสิกขาบทแก่สาวกทั้งหลายเป็นการชั่วขราวพระาศาสดาพระพุทธเจ้า ของพระสมณะเหล่านี้ยังดำรงอยู่ตราบใดสาวกเหล่านี้ยังศึกษาในสิกขาบททั้งหลายตราบนั้นเพราะเหตุที่พระาศาสดาของพระสมณะเหล่านี้ปริณิพานแล้วพระสมณะเหล่านี้จึงไม่ศึกษาสิกขาบททั้งหลายในบัดนี้ถ้าความพรั่งพร้อมของสงถึงที่แล้วสงไม่พึงบัญญัต สิ่งที่ไม่ทรงบัญญัติและไม่พึงถอนพระบัญญัติที่ทรงบัญญัติไว้แล้วพึงสมาทานประพฤติในสิกขาบททั้งหลายตามที่ทรงบัญญัติไว้แล้วการไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ทรงบัญญัติและไม่ถอนบัญญัติที่ทรงบัญญัติไว้แล้วสมาทานประพฤติในสิกขาบททั้งหลายที่ทรงบัญญัติไว้แล้ว ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงพูดแม้ครั้งที่สองก็ในนี้นั่นแหลอันหนึ่งทรงไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ทรงบัญญัติแล้วไม่ถอนสิ่งที่ทรงบัญญัติแล้วสมาทานประพฤติในสิก ข, ขาบททั้งหลายตามที่ทรงบัญญัติแล้ว ชอบแก่สงด้วยเหตุนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าทรงความข้อนี้ไว้ด้วยอย่างนี้เป็นความจริงว่าพระวินัยยังตั้งอยู่ตราบใดปาพศยังมีพระศ า, าสดาไม่ล่วงไปแล้วตราบนั้นข้อนี้สมด้วยพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ว่าอานนท์ พระธรรมวินัยใดอันเราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายพระธรรมและวินัยนั้นจกเป็นศาสดาในการล่วงไปแห่งเราเพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายผู้เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าจงเป็นผู้ตระหนักให้มากในสิกขาบททั้งหลายซึ่งเป็นศีลของตัวเอง อันจะนำมาซึ่งคุณธรรมเบื้องสูงที่เป็นเหตุให้พ้นจากทุกข์ในวัฏะสงสารได้ไม่ควรเห็นเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆอันเป็นเหตุให้ไม่เห็นความสำคัญฉะนั้นขอท่านผู้เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพึงช่วยกันรักษาพระธรรมวินัย ซึ่งถือเป็นมรดกอันล้ำค่าที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานไว้เพื่อความเป็นอยู่อันผาสุขของสาวกทั้งหลายในปัจจุบันและเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานและความตั้งมั่นของพระธรรมวินัยสืบต่อไปจนครบห้าพันปีชนนี้แล